พูดจหยาบคายทำไมจึงผิดศีลเหตุใดการพูดใจหยาบคายจึงรวมอยู่ในวจีทุจริตจัดเป็นศีลวิบัติ ด, ด้วยต้องดูความเสียหายทางวิญญาณที่เกิดขึ้นรวมทั้งผลที่จะได้รับเมื่อสะสมความหยาบคายไว้ในชีวิตมากแล้วกรรมคือเจตนาเจตนาคือกรรม เจตนาแผ่ไปเผาผลาญจิตของผู้ฟังหรือมุ่งทำลายความรู้สึกดีๆชื่อว่าพรุษาเมื่อเจตนานั้นสำเร็จด้วยการพูดจึงเรียกว่าเป็นพรุสวาจาส่วนคำตักเตือนว่ากล่าวที่ยืนอยู่บนเจตนาดีไม่ถือเป็นพรุสวาจาก็จริงแต่หากคำดุดาประกอบด้วยคำหยาบเชื้อเชอญให้เจ็บใจได้ ก็นับว่ามีผลร้ายทั้งต่อผู้พูดและผู้ฟังอยู่ดีคนพูดหยาบคายตลอดเวลาไม่ใช่แค่กระตุ้นให้คนอื่นนึกอยากพูดหยาบคายตอบแต่ยังทำจิตคนรอบตัวที่ฟังคำหยาบไปบ่อยปล่อยอยากระด้างอย่างน้อยก็อยากพอจะนึกอยากทำอะไรหยาบๆยาบขึ้นมาเช่นแม้ขัดเคืองกันเพียงเล็กน้อยก็อยากลงมือลงไม้ทาร้ายกัน เป็นตัวนักด่าเป็นของต่ำของสกปรกไม่น่าออมือให้สรุปแล้วภาวะหรือภพที่เหมาะกับนักสะสมคำหยาบจึงมีความหมายไม่ใช่ประนีตและชอบใช้ความรุนแรงไม่ใช่ความนุ่มนวลมีหน้าตาดุ ด, ดันน่าเอาเรื่องไม่ใช่อ่อนโยนน่าปราณีให้ทั้งหญิงชาย ปรุงแต่งคำหยาบขึ้นมาในหัวได้แสบพอกันและทุกวันนี้เมื่อเห็นคำหยาบในเน็ตบ่อยๆก็พากันรู้สึกว่าเป็นเรื่องปกติท่านหน้าตาสวยหลออยู่ในปัจจุบันก็นับว่าหน้าเสียดายเพราะเท่ากับเอาบุญเกา่ามาชักนำให้เห็นดีเห็นงามอยากเอาตามอย่างในทางที่ผิดเพราะแม้แต่เหล่าเทวดานางฟ้าเดินดินก็ทาอย่างนี้กันและเมื่อผู้คนเห็นตามกันว่า พูดหยาบเป็นเรื่องปกติก็เท่ากับชักชวนกันสร้างเมืองคนหน้าตาขี่เรชอบใช้ความรุนแรงนิยมทำร้ายจิตใจกันขึ้นไว้ในอนาคตร่วมกันแหล่งแพร่ความนิยมคำหยาบเช่อนอินเทอร์เน็ตจึงนับว่าเป็นภัยที่ถึงตัวถึงจิตถึงวิญญาณได้ง่ายแห่งหนึ่ง